ในครั้งที่หนึ่งเราก็ได้ข้อมูลว่าการปฏิบัติต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเดินอย่างนี้ต้องนั่งอย่างนี้พอเราไปในครั้งที่สองเราอ า, อาจได้ข้อมู ล, อ, มลอิปการหนึ่งว่าเดินแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่นะนั่งแบบนั้นก็ไม่ใช่แต่ต้องมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จนทำให้เราผู้ไข้ควรกับการปฏิบททะะัติทํเนี่ยค่ะมีความรู้สึกว่าตกลงฉันจะไปตรงไหนแน่ ฉันจะใช้ข้อมูลอะไรยึดถือไว้ในการประพฤติปฏิบัติและเราเนี่ยมีกรรมฐานที่เหมาะสมไหมและสําหรับในยุคที่ข้อมูลต่างๆหลัง่งไหลเข้ามาทางตาหูของเราเนี่ยค่ะว่าการประพฤติปฏิบัติต้องเป็นเช่นนั้นการประพฤติปฏิบัติต้องเป็นเช่นนี้เป็นอย่างนั้นไม่ได้นะต้องอย่างนี้เท่านั้นหรือเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะอย่างนู้นไม่ควรใช้ก็อยากจะถามในแง่มุมนี้เจ้าค่ะ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 แต่พอเรารู้สึกว่าสามชั่วโมงเนี่ยมันไม่เหมาะกับเราแล้วเราก็ได้ข้อมูลใหม่มาว่า3มชั่วโมงไม่ได้หรอกมัน15นาทีก็พอแล้วก็เลยอยากจะถามพระอาจารย์จเจ้าค่ะว่าแล้วกรรมาฐานที่เหมาะสมกับคนยุคนี้เนี่ยมีไหมข้อมูลที่เราได้รับทั้งหลายแหล่ตามสื่อต่างๆในแง่มุมต่างเนี่ยเราถือไว้เป็นข้อวัดปฏิบัติได้ไหมเมื่อถือแล้วมีประโยชน์ไหมหรือถ้าไม่มีประโยชน์ มันจะมีกับดักอะไรบ้างใครเคยไปเข้าห้องกรรมฐานปฏิบัติบ้างยกมือหนึ่ค <c oughs> ่ะก็มีเยอะเลยนะเ อ, อจะได้ดูเช็คดูก่อนในารายละเอียดจะให้ท่านอาจารย์มหาอำนาจคอยตรวจสอบดูเวลตาตอบปัญหาได้ตรงประเด็นดนะี่เนี่ยสรุปก็แบบไปเข้าจัดเป็นคอร์สอบมรมเจริญกรรมฐานเนะ่ยมีไหมน้มองยกมือดูดิดโอ้โหมีเลยปีเลยค่ะพระอาจารย์มีเป็นคนนํากรรมฐานเลย น, นั่นไง อยู่ตรงนี้เ อ, อยู่ตรงนี้เจ้าค่ะอาจา ร, รย์ใหญ่เ น, นี่ย <c oughs> แต่ถ้าอาจา ร, รย์ใหญ่ทางด้านโรงพยาบาลเขาเรียกเป็นหมออันนั้นเป็นศพหนึ่งเป็นอาจา ร, รย์ใหญ่เหมือนกัน <c oughs> เออตรงนี้ก็คืออย่างนี้ในเรื่องของกรร ม, มาฐานหรือที่เหมาะสมกับคนในยุคนี้ในที่พูดนี่รวมเลยทมาเาก็พยายามจับประเด็นที่ทางไม่ฉีพูดว่า อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอามาเอ๊ยอย่างนี้อย่างนี้มันหมายถึงอะไรนเนี่ยนี่ยก็คงอยากไม่อยากจะระบุสถานที่นั่นเองคืออย่างนี้ว่าหนึ่งอุบาสกและอุบาสิกาเนี่ยเป็นครื่อหัดเป็นผู้ครองเรือนอันนี้นจะต้องอลื อ, อย่าลืมฐานะของพวกเรานะและในคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเวลาสอนอุบาสกอุบาสิกานั้นน่ยท่านสอนอย่างไรเอามายกในเรื่องของอุคคะขณะบุดี ที่พระศาสดาพระบระมศ า, ส, า, ส, ดาสดาสอนเกี่ยวเรื่องการแสดงธรรมแล้วท่านได้บรรลุธรรมที่ทรงแสดงนั้นคือาฐานกถาศีลกถาสักขากถากา ม, มาทีนาวากถาคือโทษของการเนคขำ ม, มานิสังสักถาอา น, นิสง์ของการออกจากการแล้วก็สรุปลงในทุกสมุทัยนิโรธมักเกเริยสัตสีแล้วก็ได้บรรลุแต่ในยุคนี้เมื่อฟังธรรมแบบนี้แล้วไม่ได้บรรลุจะทํำยัำยงไงใช่ไหมแล้วก็ต้องตั้งประเด็น เหตุผลที่ฟังธรรมในยุคนี้แล้วเนี่ยโดยมากเลดิดหรือก็เลื่อนลอยกันโดเส่วนใหญ่ก็คือว่าข้อมูลในการฟังของพวกเราเนี่ยไม่แข็งแรงพอเหตุผลที่ไม่แข็งแรงพอสังเกตดูไหมพอพูดเรื่องทานรากถานเนี่ยหนึ่งในชั้นคำสอนจริงๆท่านแจกเรื่องทานละเอียดแต่นี้เรามาก่าวยอ่อๆซึ่งก็ไม่เหมาะสมกับอัจยาศัยของคนเราในยุคนี้อีกศีลรกถากาวเรื่องศีลทั้งๆที่ท่านขยายกว้างมาก แต่เราก็มาเรียนแบบย่อๆแล้วก็ศักท์คาถาพูดถึงในเรื่องของมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็อีกเยอะมากที่กล่าวเขาไว้แต่เราก็เรียนแบบย่อ ๆ, ๆหมดเลยการมาทีนวัคคาถาโทษของกามนี่พระศ า, าสดาแสดงไว้เยอะในจุลกรรมในในจุลทุกขารันทสูตรมหาทุกขารันทสูตรเป็นต้นตลอดถึงโทษของกามแสดไงไว้เยอะแยะหมดทั้งในธรรมะจากพระพธนัสูตรก็แสดไงไว้หรือในกายยคตาสติสูตร ก็แสดงในเรื่องของโทษต้องตามอีกเยอะหมดเลยใช่ไหมก็ไม่ได้มาขยายแล้วก็เนขามานิสังสกถาเกยเรื่องของเนขามาบารมีที่ทรงแสดงไว้ที่ทรงแสดงเป็นตัวอย่างไว้นี่นะก็อีกมากก็ยังไม่ได้นํามากราวแล้วก็อริยสัจสี่ซึ่งเป็นหัวใจของพระศาสาศนาเลยนอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้นํามาแสดงแบบละเอียด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 ติดล็อกตรงที่ว่าหนึ่งตนเองก็ไม่ได้มีข้อมูลใดๆยิ่งไปไขควรไปลักษณะอย่างนั้นไปเสร็จก็เลยเดินไปกับความคิดตัวเองเป็นส่วนใหญ่เราไปคิดว่าบอกว่าอ๋อเราโตแล้วคิดเองได้องรเราไปคิดอย่างนั้นน่ะเช่นให้ตัวรูปกรรมฐานตื่นตัวตัวรูปแบบไปเบีดเสร็จแล้วก็ให้เราไปกําหนดตามนั้นเมื่อกําหนดตามนั้นเบีดเสร็จถ้าจิตมันชอบอย่างไรหรือมันผ่องใสยอย่างไรก็ให้ตามความคิดนั้นไปอย่างนึ่งอันนี้ก็เลยกลายเป็น ประเด็นขึ้นมานะเข้านะักเขาก็สรุปก็วนๆกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วซึ่งเราไปตรวจสอบหรือไปสนทนาไปสอบถามก็จริงก็กลับกลายเป็นคนแ ป, กแปกลกๆไปย่ังไงคาว่าแปล ก, ปลกๆในที่นั้นก็หมายความว่าเอ๊ะพอไปเข้าปฏิบัติกรรมฐานเลกลายเป็นคนเอกเทศไปอย่างหนึ่งกลับมาทางบ้านก็เข้ากับทั้งบ้านมัก็ไม่ค่อยได้มันกลายเป็นความปฏิบัติที่ผิดผิด ป, ปกติไปแล้วซึ่งในสมัยข้าพุทธกาลกลับกลายไม่เป็นอย่างนี้เลย ภายาบุคคลทั้งหลายมีชั้นปัสดาบานันสกาธานาคาทั้งหลายก็ล้วนแต่เป็นคนที่ยังอยู่ในสภาพของสังคมของเขาได้อย่างยกตัวอย่างเช่นในสังคมของอในแคว้นอลวีเนี่ยนะในแคว้นอรารวีเนี่ยอุบาสกที่ตามท่านอุบาสกท่านหนึ่งเนี่ยแม้แต่อุบาสกของอุคคัข่ า, าวบดีเหมือนกันแล้วก็อุบาสกอีกท่านหนึ่งนะอยู่ในแคว้นอาวีนี มีอุบาสกแล้วก็มีเพื่อนๆตามเนี่ยล้วนจะเป็นอุบาสกหลล้วนมีพระโสดาบานันเป็นต้นท่านใช้คําว่างี้ไม่มีผู้ดชนเลยห้าร้อยเวลาท่านไปฟังธรรมกันเนี่ยนะอันนี้แปลว่าอะไรท่านก็ประกอบอาชีพการงานเนี่ยแก่เป็นกลุ่มชนของอริยชนแต่ไม่มีผลปรากฏว่าท่านไปส้มเข้ากรรมฐานกันเลยนะเนี่ยกลุ่มเนี้ยแต่มีการไปฟังธรรมมีการปฏิบัติธรรมเป็นอัธยาศัยในชีวิตเราเคยเอใจไหมว่าเออเป็นแบบนี้ ท่านจะเข้าวัดกันเป็นระยะระยะฟังธรรมแล้วก็กลับมาก็ประกอบอาชีพการงานเป็นปกติไม่มีกล่าวไว้ในสูตรไหนเลยนะส0 0หมกว่าสูตรนี่นะเอามาตรวจสอบดูเนี่ยนะไม่มีสูตรไหนเลยว่าเออมีการคารวาะเข้าอยู่กรรมฐานเป็นระยะระย ะ, ะ, ยะไม่มีเลยแต่มีแบฟังธรรมเป็นอัธยาศัยทุกแทบทุกวันนี่มีทุกวันนี่นมีกลางวันไปทํางานกลางคืนเข้าวัดแล้วฟังธรรมอยู่ดึกๆดื่นดบางทีก็ทั้งคืนแล้วก็กลับเนี้ย กลางวันก็ประกอบอาชีพตามปกติอยู่เนี่ยนะมีอัธยาศัยเป็นไปลักษณะนี้ที่บ้านก็เปิดเป็นที่พิกขาจานของพระจัดอาสนะถวายแต่งตั้งไว้บางบ้านที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็รับห้าร้อยรูปเลยมีอาสนะปูไว้เบียดเสร็จมีพระกลับไปพระมาก็ต้อนรับดูแลอย่างดีก็เป็นไปในลักษณะอย่างนี้แล้วในขณะเดียวกันตนเองก็ประกอบอาชีพการงานวิถปกติเนี่ยนะนี่พอจะมองเห็นใช่ไหม ว่าว่าสังคมในยุคโน้นกับในยุคนี้ในการเข้าถึงคําสอนก็ต่างกันเอาถ้าสภาพสังคมในปัจจุบันนี้ถ้าเราดูไปแล้วก็คือว่าเราเดินออกไปจากหน้าที่ตรงเนี้ยสภาพสังคมนั้นอนะ่ะเราจะหาคนประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตยากมากมากเลยของไปวางไว้ที่กลางถนนไม่ถึงห้านาทีจะต้องหายภายในวิปิตาทันทีใช่ไหมซึ่งซึ่งในยุคนั้นคนละยุคกันแล้วอันนี้บ่งบอกถึงอะไร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 หรือไปเที่ยวเที่ยวขับเลยตามนี้เขาพูดกันนี่นะอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรถึงปีนึงก็มีการเข้าไปชาร์จแบตเตอรี่สัที2ทีอย่างเงี้ยเขาพูดกันในทํานองอย่างนั้นหรือไม่ถ้าสภาพ ส, สังคมเป็นอย่างนี้บอบ่งบอกถึงจุดเสื่อมมากๆ า, ากแล้วเพราะการปฏิบัติตามคําสอนของพระศาสดานั้นอะท่านถือการปฏิบัติทุกมุมทุกจุดของชีวิตไม่ใช่เป็นการปฏิบัติเป็นพักๆ แม้กระทั่งประกอบอาชีพการงานอยู่เช่นการค้าขายเนี่ยท่านก็เดินอาชีวะปริสุทธิ์ได้อยู่ซึ่งเป็นมิจสา ม, มาอาชีวะขับเน้นการไม่กระทํามิจฉาอาชีพถ้าสัมมาอาชีวะมันก็ต้องเป็นไปกับกุศลไม่ใช่ประกอบอาชีพการงานแบบหน้าดำํำข่ําเครียดเป็นอยู่ทุกวันนี้หรือแม้การไปสอนหนังสือหรือแม้การไปประกอบอาชีพอย่างอื่นทํานาทําไร่ทั้งหลายก็ไม่เป็นแบบนี้แน่นอนไม่เป็นอย่างนี้แน่นอน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 จริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไว้เลยว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นน่ะใช้ได้เฉพาะในวัดหรือในเวลาที่ไปเข้าห้องกรรมฐานแต่ท่านขับเน้นให้ไปใช้ได้จริงๆในชีวิตจริง ๆ, งๆเช่นเมื่ออยู่กับภรรยาเนี่ยจะเดินตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไรในฐานะคุณเป็นสามีเนี่ยหรือภรรยาจะปฏิบัติต่อสามีอย่างเงี้ยลูกจะปฏิบัติต่อพ่อพ่ อ, พอจะปฏิบัติต่อลูกต่อแม่ต่อพ่อเนี่ยลิจะปฏิบัติต่อตอบ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 พราะไม่ใช่ไปหลอกลวงเขาแต่ไปช่วยเหลือเขาทําให้เขาเนี่ยพ้นจากเครื่องพันธนาการคือความเข้าใจผิดเนี่ยที่มันลมุมล้อมอยู่ในจิตของเขาเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ความมืดบอดของจิตนี่แหละชาวพุทธสามารถขยายความเข้าใจได้ถูกต้องจริงๆและมีข้อมูลของพทธเจ้าที่ถูกต้องจริงไม่ใช่รู้แบบเป็นกระจุกกระจุกและเชื่อมโยงติดต่อกันไม่ได้กระจายเข้าสู่มาใช้ในชีวิตจริงไม่ได้แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เนี่ย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 สักค้าคืออนิสงส์แล้วก็แสดงการมาทีนวาวะคือโทษแล้วก็แสดงเนคคำอนิสังสาระเพราแสดงเบ็ดเสร็จแล้วจิตของท่านก็อ่อนอ่อนควรต่อกุศลคือสภาพกุศลและจิตจากที่ไม่ค่อยเกิดในใจของท่านเนี่ยก็คือคาวาตก็คือเป็นผู้ที่คับแคบใช่ไหมคำว่าคาวาตเนี่ยเขาแปลผู้คับแคบผู้คลองเรือนเนี่ยคำว่าคับแคบคือคับแคบอะไรยง ยมรู้ไหมคำว่าคับแคบอ่ะย่อมจ้องคำว่าคับแคบแปลว่าอะไรแปลว่าบุญมันเกิดยากบาปมันเกิดง่ายเขาจึงเรียกว่าชีหีเพศไงคือเพศที่ต่ําอ่ะคําว่าต่ําในที่นั้นก็แปลว่าบุญเนี่ยเกิดยากแต่บาปเกิดง่ายคิดบุญไม่ค่อยออกแต่คิดบาปคล่องพูดเรื่องบุญไม่ค่อยได้แต่พูดบาปคล่องเนี่ยนะ ทำบุญก็ไม่ค่อยได้แต่ถ้าทำบาปนี่คล่องเลยเนี่ยนะลักษณะเนี้ยเขาเรียกคารวะแต่แปลผู้คับแคบนั่งฟังทำจะให้บุญเกิดก็ยากเพราะใจใจไม่อ่อนไม่อ่อนก็แปลว่าใจไม่ได้ถูกฝึกปรือด้วยกุศลอย่างต่อเนื่องเหมือนเหล็กไงยองเหล็กที่ไม่ได้สู่เข้าเป้า่ า, าหลอมมันไม่อ่อนใช่ไหมทองเนี่ยทองที่มันจะอ่อนเอามาทําเป็นกําไลสร้อยแหวนนาฬิกา ไปทําป็นเครื่องประดับได้เนี่ยทองนั้นมันต้องถูกหลอมจนอ่อนใจของสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยต้องอาศัยพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาเนี่ยหลอมจนอ่อนเนี่ยเมื่ออ่อนควรต่อการงานก็พากออกจากบาปได้ตอนเนี้ยมันยังปนกันหมดเลยเนี่ยตอนเนี้ย <c oughs> มันแทรกซึมปนกันหมดแล้วจิตกับบาปนี้โดยมากมันเกี่ยวข้องกันกันหนัก เป็นจิตที่หนักเป็นจิตที่แข็งกระด้างเป็นจิตที่ดื้อรั้นเป็นจิตที่เห็นแก่ตัวเป็นจิตที่อะไรยเยอะแยะไปเสจทั้งแข็งดีใช่ไหมมานะทิฏฐิปราสาตีเสมอโอ้อวดมายาเจ้าเลสาเถยยะอันเนี้ยอติมานะอะไรต่างเนี้ยมันจะเต็มไปหมดแหละโลภ ค, ค, ความโลภความโกรธความหลงอันนี้คือสภาพจิตที่มันแข็ง แต่พอได้คำว่าทานกุศลเข้าไปศีลกุศลเข้าไปเนี่ยนะแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของฝึกขัดเกลาอ่อนโยนนี่มันควรเลยตอนนี้อันนี้ควรต่อการงานเพราะว่าตอนนั้นจิตเป็นไปกันในร่านของปลาโมดปีติปัสทีความสุขเลยพระศาสดาก็สรุปลงอริยสัจบรรลุนี่ฟังธรรมบรรลุเนี่ยถ้าถามบอกว่าอุค้าข็อดีเนี่ยท่านท่านกาหนดกรรมฐานอะไร กําหนดกรรมฐานอะไรตอนถามว่าพระบรมศารสดาสแสดงกรรมฐานอะไรจะแสดงกรรมฐานอะไรอ่ะถ้ามองอย่างนี้ก็คือให้เดินจารคานุสติศีลานุสติเข้าใจปะ่ะหรือพุทธานุสติธรรมานุสติเป็นต้นในคําสอนที่พระพุทธเจ้าบอกดูก่อนภิกษุตั้งหลายทําอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วก็ทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวนี่นะหนึ่งนะนี่อันที่สองนะ ทำอย่างหนึ่งนะที่บุคคลเจริญแล้วแล้วก็กระทำใม้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายคือนิพิทาเนี่ยนะโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเวลาคาเนี่นะเพื่อความดับหนีนิโรธะเพื่อสงบเนี่ยอุปสมายะเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตัดสรู้เพื่อพระนิพพานเจอย่างไหมก็คือน่ายนะหนึ่งคลายกำหนัดในความดับหนีสาเพื่อความสงบนสี่เพื่อความรู้ยิ่งในห้า เพ่อตัสรู้นี 6, ่หเพื่อพันิพาณิเจ็ดนี่อันทสองเจ็ประการเหล่านี้ที่จะได้ก็คือทำอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งนั้นคืออะไรทำอย่างหนึ่งนั้นคือพุทธานุสติเห็นไหมนี่พุทธานุสติอกค้าข่าวดีเจริญอะไรพุทธานุสติเพราะอะไรเลื่อมใสเห็นปั๊บเลื่อมใสแล้วเนี่ยพอเลื่มใสเบสเสร็จก็พระพุทธเจ้าแสดงธรรมพอแสดงธรรมเบสเสร็จเนี่ยยิ่งยิ่งศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากขึ้นไหม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 ของว่าทําเป็นธรรมานุสติถ้าระลึกถึงข้อปฏิบัติดีของพระริยสงฆ์เป็นสังขานุสติเหล่านี้เป็นข้อเป็นข้อเป็นข้ อ, เ, ขอเรียกว่าทำอย่างหนึ่งที่บุคคลจเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วจเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วก็คือระลึกตามระลึกตลอดไม่ภาจิตออกไปจากการระลึกนั้นๆไม่ปล่อยให้กิเลสดัดเล่นงานทําร้ายเหมือนการเดินทางเนี่ยระมัดระวังไม่ให้ ใครที่อยู่ข้างทางเข้ามาซุ่มโจมตีแม้ฉันใดจิตในการที่ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ในยะนั้นแหละไม่ปล่อยให้บาปนั้นแทรกเข้าไปโจมตีเข้าไปทำลายถามว่าเมื่อกระทําอย่างต่อเนื่องเบียเสร็จอย่างนี้ก็เหมือนกับเอาทองคําเป็นแท่งเข้าสู่ที่หลอมเบ้าหลอมพอสูบลมเข้าไปเปเสร็จไฟก็เริ่มลุกพอไฟเริ่มลุกเนี่ยเหล็กทองแท่งใหญ่ๆจะเริ่มอ่อนไหม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 แต่ตรงนี้เพื่อจะได้หยุดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วจะได้เจาะประเด็นนี้แต่ละเป็นรายบุคคลที่สงสัยที่นั่งฟังเนี่ยนะถ้าสงสัยประเด็นไหนอย่างไรแล้วก็เพราะอาจจะต้องมีปัญหาหรือประเด็นการสอบถามตามมาค่อนข้างเยอะถ้ามาเปิดประเด็นอย่างนี้นะ <Yeah. S 1> ถ้าหลายๆท่านคิดตามที่อย่างมาคิดนะถ้าเป็นอามานั่งฟังมุมที่เปิดอย่างนี้อามาจะมีประเด็นการถามตามมาเยอะ จากที่ท่านพระอาจารย์ได้ขับเน้นมาในหลายๆเรื่องนะคะตั้งแต่เรื่องว่าเรื่องทานเรื่องศีลนะคะจนกระทั่งเข้าสู่คำถามที่ว่าเราจะปฏิบัติทำอย่างไรและกรรมฐานอย่างไรละที่จะเหมาะสมกับเราในยุคนี้ท่านพระอาจารย์ก็ได้กรุณาชี้แนะให้เห็นนะคะว่าตัวอย่างคือท่านอุคคคข่ขข า, ข า, าบดีนะผู้พูดจะพู ด, พดตรงนี้ไม่ค่อยถูกสักทีอุคคัค ข, ข า, าบดีท่านฟังธรรม แวดวงของท่านก็เป็นแวดวงอริยะนะคะเพราะนั้นเราก็ควรที่จะทำพวกเราให้เป็นแวดวงคล้ายๆอย่างนั้นก่อนตั้งเจตนาไว้อย่างนั้นก่อนในเรื่องของการปฏิบัตินะคะที่ว่าเราก็ได้ยินข้อมูลสื่อสารมาว่าว่าวิธีการปฏิบัติมีมากมายการเดินยืนนั่งหรือนอนเป็นต้นเนี่ยนะคะในการเจริญกรรมฐานเนี่ยทำทำไม ทำเพื่ออะไรตรงนี้คืออย่างงี้นะว่าขอตอบในเรื่องขอการว่ายืนเดิน น, น, นั่งนอนเนี่ยถ้าในชั้นของสติปัฏฐานนั่นจะใช้คําว่าคัตชันโตวาคัตฉามีติปชานาติเป็นต้นเดินก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเดินอยู่นิสินโนวานิสินโนมีติปชานาติเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าบัดนี้เรานั่งอยู่นี่นนทีโต ว, วาทีโตมีติปชานาติเนี่ยว่าเมื่อยืนก็รู้ชัดวบัดนี้ยืนอยู่ สยานโนวาสยาโนมหิติบชาาติเมื่อ น, นอนก็รู้ชัดวบัดนี้เรานอนอยู่เป็นต้น อ, อันนั้นคือการเจริญสติปัฏฐานในหมวดของอยาบทบบทีนี้กรรมฐานมันมีหลายบทถ้าถามว่าถ้าจะเจริญพุทธานุสติในยาบทยืนในยาบทเดินในยาบทนั่งในยาบทนอนจักได้ไหมก็ต้องตอบทันทีเลยว่าได้เพราะตอนนั้น่ะ เป็นการเดินในกรณีอย่งการคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าทีนี้คําถามก็จะถามมาถ้าออกมาถามเองตอบเองตรง น, นี้ก็คือว่าเอา้าถ้าอย่างนั้นเราก็หลุดจากอารมณ์ปัจจุบันดูเพราะการเจริญกรรมฐานเนี่ยเป้าหมายคือการที่จะต้องขับเน้นปัจจุบันอารมณ์ใช่ไหมก็ต้องบอกว่าเออเราจะเดินกรรมฐานอะไรเพราะการไปยึดยองอยู่แค่ปัจจุบันเนี่ยปัญหามันตามมาเยอะกรรมฐานนั้นน่ะท่านให้ขับเน้นทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตทั้งปัจจุบัน ทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งหยาบละเอียดเร็วและประณีตใกล้และไกลกรรมฐานต้องมีอารมณ์ได้หลากหลายเพราะที่กล่าวมาเหล่านี้ทั้งหมดเป็นที่ตั้งแห่งความเข้าใจผิดได้ทั้งนั้นไม่ใช่แค่ปัจจุบันการเจริญกรรมฐานไม่ใช่แค่ฉลาดในอารมณ์ปัจจุบันแล้วมันจะควบคุมอารมณ์ทั้งหมดได้อารมณ์ใดที่ผ่านการวิจัยแล้วเท่านั้นแหละอารมณ์ต่างๆตรงนั้นถึงจะไม่ค่อยเป็นที่ตั้งของความเข้าใจผิด ไม่ใช่ว่าไปฉลาดไปทำความเข้าใจถูกในปัจจุบันเบ็ดเสร็จอดีตอนาคตภายในภายนอกหยาบละเอียดเร็วปราณีตใกล้และไกลไม่ต้องไปรู้มันเพราะทั้งหมดเหล่านี้ต้องเป็นที่เข้าไปวิจัยเพื่อทำความรู้ความเข้าใจให้ถ่องแท้และให้เข้าใจชัดถ้าถามว่านายาบทเดินสามารถจเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณได้ไหมเพราะอันนี้เป็นการเดินเพื่ออะไรเดินเพื่อจะทาให้จิตนั้นเป็น อุปยานสมาธิยังไแต่เบื้องต้นเนี่ยเพื่อให้จิตนั้นผูกกับคุณของพระเจ้าเข้าถึงคุณของพระเจ้าให้ท่องแท้ฉะนั้นในด้านของกา ร, รมาฐานท่านไม่ได้จํากัดแต่ว่าถ้าจับเจริญให้เกิดผลที่ดีและก็เพื่อสมาธิที่มั่นคงทั้งหลายเนี่ยท่านก็ขับเน้นียาบนหน้าแต่ในขณะเดียวกันเมื่อจะเดินท่านก็ไม่ได้ห้ามว่าจะเดินในการระลึกถึงทานอุปสนศีลกุศ ล, ศลหรือระลึกถึง มารณาสติเป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นในด้านของกรรมฐานนั้นท่านไม่ได้จํากัดในเรื่องของของการที่จะต้องอยู่ในียบตทแต่โดยส่วนใหญ่ท่านจะเว้นียบบทนอนไว้เพราะไม่ค่อยเกื้อกูลต่อกรรมฐานแทบจะทุกกรรมฐานใช่ไหมเพราะียบตทนอนเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นถ้าถามว่าในการเจริญกรรมฐานเนี่ยทําทําไมเนี่ยทีนี้พอพูดถึงกรรมฐานก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องดัง ท, งที่ได้กล่าวท่านในกรณีอย่างนี้ว่าการที่เรา เดินทานนากุศลจนเกิดความเข้าใจอย่าง่องแท้ที่ได้บอกไว้แล้วจเจริญ